ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ไม่เหมือนกับคำสอนทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นคำสอนที่จะสอนให้ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีคําสอนอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพองค์เดียวเพราะไม่มีใครรู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆได้ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นคําสอนที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดที่จะยังประโยชน์ให้กับผู้ศึกษาได้อย่างมากที่สุดเพราะไม่มีใครในโลกนี้อยากจะอยู่กับความทุกข์กันทุกคน อยากจะให้ความทุกข์นั้นหมดไปจากใจแต่ไม่มีใครจะสามารถารู้วิธีดับความทุกข์ได้จึงต้องอาศัยผู้ที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือเข้าหาตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาและน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติไปปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้จึงมีความสามารถที่จะ สอนให้ผู้อื่นได้หลุดพน้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะสมัยนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จากเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแต่ตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วยังมีอยู่เรายังสามารถที่จะศึกษาวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้โดยการเข้าหาพระธรรมคำสอนอย่างที่โรกท่านทั้งหลาย กำลังกระทำกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ผู้แสดงได้ไปศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็นำเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราอีกทอดหนึ่งถ้าเราไม่มีผู้แสดงทำเราก็ยังสามารถที่จะเข้าหาพระธรรมคำสอนได้อีก วิธีหนึ่งก็คือเข้าไปศึกษาคำสอนที่ได้มีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพระอริยสงสาวุกต่างๆที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือก็ดีเป็นแผ่นซีดีก็ดีสามารถที่จะใช้คำสอนเหล่านี้เป็น <c oughs> ผู้สั่งสอน ให้เรารู้จากวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ถ้าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์เราต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เ่าถ้าไปศึกษากับผู้อื่นก็จะไม่ได้รับคำสอนที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถานาเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลที่ต้องการได้คือหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว คือพระพุทธเจ้านะพระอริยสงสาวงทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุที่ทรรมเราต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจคาว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งนี้หมายถึงให้เราเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดี เพราะถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกสอนให้เรากระทํากันเท่านั้นถ้าเราไปฟังคนอื่นที่สอนตรงกันข้ามกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสาวกก็ดี เราจะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะคำสอนอันใดก็ตามที่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าขัดต่อคำสอนของพระอริยสงสาวกจะไม่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่จะนำไปสู่การติดอยู่ในกองทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้ นี่คือประเด็นสำคัญของชาวพุทธเราว่าทำไมเราจึงต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีพระอริยสงสาวก็ดีเพราะเป็นคำสอนที่จะพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนได้มีการพิสูจน์ได้มีการรับรองมากันอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมคาสอนให้แก่สัตว์โลกรครั้งแรกที่ทรงแสดงก็มีผู้ฟังหนึ่งท่านได้บรรลุผลที่เกิดจากการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบัน เป็นผู้รับลองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ดับความทุกข์ได้อย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ท่งสอนต่อไปเรื่อยๆก็ปรากฏมีผู้ได้ฟังได้นำเอาไปปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงอย่างไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจ มีเป็นจํานวนมากและผู้ที่ได้ดูดพ้นเหล่านี้ที่เราเรียกว่าพระอริยสงสารโลกนี้ท่านก็เป็นผู้ที่นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งเราจึงมีความมั่นใจได้ว่าการที่เราจะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราได้เชื่อของจริงของแท้อย่างแน่นอน เพราะถ้าเป็นของปลอมนี้จะต้องมีผู้รู้และมีผู้มาประกาศบอกให้พวกเรารู้กันมาเป็นตั้งแต่สมัยพระพุทธการแล้วแต่ไม่มีใครที่จะสามารถมาประกาศมาบอกว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนปลอมเป็นคําสอนที่ไม่สามารถที่จะ พาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีแต่ทุกคนมายืนยันพระอริยสงสารมุขทุกรูปที่ได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการศึกษาจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่จะมาประกาศรับรองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกคําสอนนี้เป็นคําสอนเพื่อให้พวกเรา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งนั้นเราจึงสามารถที่จะมีความมั่นใจได้เชื่อได้ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราต้องมีความศรัทธามีความเชื่อ เพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ปฏิบัติตามนั่นเองหรือถ้าเราเชื่อแล้วเราไม่มั่นใจเราก็อาจจะไม่กล้าปฏิบัติเช่นสมมติถ้าเราไปหาหมอไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาให้เรามารับประทานถ้าเราไม่เชื่อหมอเราก็อาจจะไม่กล้ารับประทานยาเพราะเราไม่เชื่อว่าหมอเป็นหมอจริง เป็นหมอที่จะสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้ยาที่หมอให้เรามากินอาจจะทําให้เราเจ็บมากขึ้นหรือถึงแก่เสียชีวิตก็ได้ถ้าเรามีความไม่มั่นใจในตัวหมอถ้าเรามีความลังเลสงสัยว่าเป็นไม่เป็นหมอแท้เป็นหมอปลอมเราก็จะไม่กล้ากินยาอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เวลาเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็อาจจะไม่กล้าปฏิบัติตามก็ได้เพราะเรากลัวว่าถ้าปฏิบัติแล้วแทนที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เรากลับจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป หรือปฏิบัติแล้วจะไม่ได้ผลปฏิบัติแล้วไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็จะไม่ปฏิบัตินี่คือเหตุผลว่าทําไมเรายังต้องมีศรัทธาความเชื่อแต่ความเชื่อของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เป็นความเชื่อเฉยๆคือเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เราก็ไม่นำเอาไปพิสูจน์ไม่นำเอาไปปฏิบัติเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องหรือไม่เป็นคําสอนที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ความเชื่อทางพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนกับความเชื่อในตัวหมอเราเชื่อว่าหมอเป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และเป็นผู้ที่ได้ใช้ยาที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอที่เราเชื่อว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ที่เรามีอยู่นี่ให้หายได้พอหมอให้เราให้ยามารับประทานเราก็จะเชื่อหมอ เราก็จะเอาอยาที่หมอให้มารับประทานรับประทานตามที่หมอสั่งทุกประการหมอบอกว่าให้รับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดให้รับประทานวันละสามเวลาหรือสี่เวลาก่อนอาหารหรือหลังอาหารเราก็ปฏิบัติตามทุกอย่างเพราะเราเชื่อหมอถ้าเราไม่เชื่อหมอเราก็คงไม่ไปหาหมอ แต่ที่เราไปหาหมอเพราะเราเชื่อว่าหมอนี่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้เพราะไม่มีใครมาแจ้งมาประกาศบอกว่าหมอคนนี้เป็นหมอปลอมเราก็เลยเชื่อได้ว่าเป็นหมอจริงแราวจะเชื่อได้อย่างร0อยเปอร์ซ็นก็ต่อเมื่อเราทำตามที่หมอสั่งถ้าหมอให้ยามาสั่งให้เรารับประทานยาตามที่หมอสั่ง แล้วเรารับประทานยาตามที่หมอสั่งแล้วโครคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่ก็หายไปเราก็จะได้พิสูจน์ได้รู้อย่างอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างเต็มที่เลยว่าหมอนี้เป็นหมอจริงเป็นหมอที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้เพราะเราเชื่อแล้วเราพิสูจน์ด้วย เพราะว่าถ้าเราเชื่อเฉยๆแต่เราไม่พิสูจน์คือเราไม่ทําตามเราก็ยังจะไม่รู้ว่าเป็นหมอจริงหรือไม่และจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้หรือไม่ดังนั้นเราต้องมีเบื้องต้นเราต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อว่าเป็นหมอจริงแล้วก็พิสูจน์ดูว่าจริงอย่างที่เราเชื่อหรือไม่คือการเชื่อ นีไม่ควรจะเชื่อเฉยๆ เ, เชื่อแล้วเราต้องพิสูจน์ดูว่าจริงตามที่เราเชื่อหรือไม่ถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็จะไม่รู้ฉันใดความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแบบแบบเดียวกันเหมือนกับการที่เราเชื่อหมอเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็คือหมอเหมือนกันนั่นเองต่างกันตรงที่ เป็นหมอรักษาโรคใจหมอที่เราไปหาตามโรงพยาบาลนี้เป็นหมอที่รักษาโรคทางร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลก็จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้แต่เวลาที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจ น, นี้เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่ได้ พหมอที่โรงพยาบาลเขารักษาไม่ได้เราต้องไปหาหมอคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหมอทางทางร่างทางจิตใจที่จะรักษาความทุกข์ที่เป็นโรคของจิตใจนี่ให้หายไปได้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับเราเชื่อหมอที่โรงพยาบาลพอเราไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านสอนให้เราทำอะไรอย่างไรเราก็ต้องทำตามเราถึงจะรู้ได้อย่างมั่นใจรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าเป็นหมอจริงเป็นหมอที่รักษาโรคของใจให้หายได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อเชื่อแล้วต้องพิสูจน์ถึงจะรู้ได้อย่างแน่นอนว่า เป็นหมอที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจของเราให้หายได้ถ้าเพียงแต่เชื่อแต่ไม่พิสูจน์เราก็จะไม่รู้ว่าเป็นหมอที่รักษาโรคของเราได้หรือไม่และโรคของเราก็จะไม่มีวันหายจากการเชื่อเฉยๆเช่นเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเรามาฟังคําสอน ก็เหมือนกับเรามารับยาของพระพุทธเจ้าไปรับประทานแต่พอเราฟังธรรมเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติตามถ้าเราไม่นำเอาไปปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับการรักษาทางใจเราก็จะไม่รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คนอื่นเขาเล่าเลยว่าสามารถรักษา โรคภัยไข้เจ็บทางใจให้หายไปได้นั้นจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทางใจของเราให้หายได้หรือไม่ถึงแม้จะเชื่อถึงแม้จะรับยามารับคำสอนมาแล้วก็ตามแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรจะเกิดประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อและเรารับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามได้แล้วทีนี้เราจะเห็นนั่นแหละว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัตินี้สามารถดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หายไปได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องมีกันก่อนในเบื้องต้นคือเราต้องเชื่อ ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สอนให้เราดับความทุกข์ใจทําให้เราดับความทุกข์ใจได้ถ้าเราทําตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทํากันถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แสดงว่าเราเชื่อเชื่อแล้วก็ยังไม่พอ เชื่อแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติให้เรากระทานี้สามารถดับความทุกข์ทางใจของเราให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่นี่คือเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็เชื่อ เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อได้อย่างไรก็เชื่อจากการคำบอกกล่าวของผู้อื่นนั่นเองเพราะว่าเราเกิดมาตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นใครว่ามีความสามารถอย่างไรแต่พอเราโตเจริญเติบโตขึ้นมาก็มีการบอกเล่าให้เราฟัง มีปู่ย่าตายายมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องชวนเราให้ไปวัดกันชวนให้เราไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันบอกเราให้ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปพอเราได้ยินได้ฟังจากคนที่น่าเชื่อถือเราก็เชื่อ เพราะไม่มีใครจะน่าเชื่อถือเท่ากับบิดามารดาของเราปู่ย่าตายายของเราเพราะเราเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนว่าเขาไม่หลอกลวงเราเพราะเขามีความรักเรามีความเมตตากับเรามีความหวังดีกับเราเพราะเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราเกิดเขาไม่เคยคิดจะทําร้ายเราไม่เคยคิดที่จะทําให้เราต้องเกิดความเสียหาย เดือดร้อนแต่อย่างใดมีแต่พยายามที่จะช่วยเหลือให้เรานั้นมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่เขาเพียงเขามีความสามารถเพียงแต่หาความสุขทางร่างกายให้กับเราได้เท่านั้นช่วยให้ร่างกายของเรานี้อยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาแต่เรื่องของจิตใจนี้เขาไม่สามารถที่จะสอนให้เรา มีความสุขได้ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายเขาเลยต้องแนะนำให้เราไปหาผู้ที่รู้วิธีที่จะรักษาใจของเหล่านี้ให้มีความสุขตลอดเวลาให้ปราศจากความทุกข์ต่างๆตลอดเวลาเขาก็เลยแนะนำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเขาก็เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเขาก็ได้ปฏิบัติตาม แล้วเขาก็ได้รับผลจากการปฏิบัติตามว่าช่วยทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเขานั้นบรรเทาลงไปถึงแม้ว่าจะไม่หมดไปก็ตามแต่เขาเชื่อว่าเป็นคำสอนที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้จะดับได้มากดับได้น้อยก็อยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละบุคคลเท่านั้นเอง บางบุคคลก็สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้บุคบางบุคคลก็ไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ปฏิบัติได้เป็นเพียงบางส่วนก็สามารถดับความทุกข์ได้เป็นเพียงบางส่วนนี่คือความแตกต่างของผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนามีความสามารถ ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยต่างกันบางคนก็มีความสามารถมากก็สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่และได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างร้อยเปอร์เซบางคนก็ทำได้เพียงห้าสบเปอร์ซน์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพียงห้าเปอร์เซนอันนี้อยู่ที่การกระทำอยู่ที่การปฏิบัติ ตามคำสอนที่แต่ละบุคคลที่เข้าหาพระพธพระธรรมพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติกันเองไม่มีใครที่จะสามารถมาสั่งมาบังคับให้ปฏิบัติได้เพราะแต่ละคนนี้มีความสามารถมีเหตุมีปัจจัยมีอุปสรรคมากน้อยต่างกันจึงไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนปฏิบัติ ได้เหมือนกันหมดเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับบุคคลอื่นขอให้เรากังวลกับตัวเราเท่านั้นว่าเรามีความปรารถนาที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์มากน้อยเพียงไรถ้าเรามีความปรารถนามากเราก็จะปฏิบัติมากถ้าเรามีความปรารถนาน้อยเราก็จะปฏิบัติน้อย เหตุที่ทำให้เรามีความปรานามากปรานาน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ได้ว่าทำไมจึงมีความปรานาน้อยทาไมจึงมีความปรานามากอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีความปรานาในเรื่องอย่างอื่นอยู่ยังรักยังชอบเรื่องอย่างอื่นอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องอย่างอื่นจะให้ความทุกข์จะไม่บำบัดความทุกข์ให้ก็ตาม แต่ก็ยังชอบในเรื่องเหล่านั้นอยู่ยังไม่สามารถตัดความชอบในสิ่งเหล่านั้นได้ก็เลยไม่สามารถทำให้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็ได้อันนี้แต่ละบุคคลจะต้องเป็นผู้ที่จะพิจรารณาเองว่าจะมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นมากน้อยเพียงไร หรือยังมีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังจะให้ความทุกข์กับตนอยู่แต่ก็ยังยินดีที่จะติดอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นอยู่อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรามี ศรัทธามีความเชื่อแล้วพอเราเชื่อแล้วเราก็ไปดับเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราจะปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยก็อยู่ที่ความปรารถนาของเราว่าเราปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นอย่างเต็มที่หรือไม่ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นอย่างเต็มที่เราก็ต้องทําอย่างเต็มที่ ถ้าเรามีความปรารถนาไม่เต็มที่เราก็จะไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่เราจะแบ่งเวลาของเราให้กับการกระทําอย่างอื่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วบางคนก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเต็มที่บางคนก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ได้ มีคนเคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าส่งสอนให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่คนที่มาศึกษากับพระพุทธเจ้าทําไมบางคนก็หลุดพ้นบางคนก็ไม่หลุดพ้นพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงรู้ไหมพระพุทธเจ้าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่มีหน้าที่ปฏิบัติเรามีหน้าที่สอนให้เขาปฏิบัติ แต่เขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เพราะคาสอนนี้เป็นคําสอนที่ไม่ได้มีการบังคับกันบังคับกันไม่ได้ผู้ที่จะบังคับได้ก็ต้องบังคับตนเองเท่านั้นไม่มีใครบังคับเราได้นอกจากตัวเราเท่านั้นที่จะบังคับตัวเราได้เพราะเราทุกคนไม่มีใครอยากให้ใครมาบังคับให้เราทาอะไร ตามที่เราไม่อยากจะทาใครมาสั่งใครมาบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำนี่เราจะต่อต้านเราจะไม่ยอมทำหัวเด็ดตีนขาดบางทียอมตายเลยก็มีอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตใจของพวกเราทุกคนดังนั้นคนอื่นบังคับเราไม่ได้พระพุทธเจ้าเข้าใจถึงธรรมชาติของพวกเราจึงไม่บังคับพวกเรามีแต่สอนมีแต่เชิญชวน มีแต่ชักจูงมีแต่ชี้แนะชี้เหตุชี้ผลมีแต่บอกถึงความวิเศษเลิอเลิศที่จะเกิดจากการปฏิบัติแต่ท่านไม่สามารถที่จะมาบังคับเราได้เพราะเราไม่ได้อยู่กับท่านตลอดเวลาท่านจะมาเฝ้าคุมเราตลอดเวลาไม่ได้มาสั่งให้เราปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้ปฏิบัติตลอดเวลาไม่ได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะ ลากให้พวกเราได้ไปหลุดพ้นจากความทุกข์กันได้มีเพียงแต่สอนให้เรารู้วิธีของการดับทุกข์แล้วอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นะผู้ปฏิบัติที่จะต้องเป็นผู้บังคับตัวเราเองไม่มีใครบังคับตัวเราได้นอกจากตัวเราเองเราบังคับตัวเราเองได้เช่นวันนี้เราก็บังคับตัวเราให้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันไม่มีใครสามารถที่จะ สั่งให้เรามาฟังเทศฟังธรรมกันได้ถ้าเราไม่อยากมาฟังธรรมต่อให้ช้างมาฉุดมาลากเราก็ไม่ได้มากันดังนั้นมันอยู่ที่ตัวเราตัวเราจะมาได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าของการกระทำของเราหรือไม่ว่าจะทำให้เราได้รับความสุขได้รับประโยชน์ถ้าเราเห็นว่าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้ว เราจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เราไปทำอะไรอย่างอื่นถ้าเราเห็นคุณค่าอย่างนี้เราก็จะมาฟังเทศฟังธรรมกันเหมือนกับถ้าเราต้องเลือกระหว่างธนบัตรใบละพันกับธนบัตรใบละร้อยเราจะเลือกธนบัตรใบไหนเราก็ต้องเลือกธนบัตรใบละพันเพราะเรารู้ว่าธนบัตรใบละพันนี้มีคุณค่ามากกว่าธนบัตรใบละร้อยนั่นเอง อันใดถ้าเรามีปัญญาที่สามารถที่จะเลือกได้จะรู้ได้ว่าการกระทําของเราแต่ละอย่างนี้มีคุณค่าไม่เหมือนกันเช่นเวลาที่เราเอาไปใช้กับการกระทําต่างๆนี้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ไม่เหมือนกันเอาเวลามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกับเอาเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเ ได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์ไม่เท่ากันแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าการมาฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการมาได้ธนบัตรใบละหนึ่งพันไปแล้วการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นการได้ธนบัตรใบละหนึ่งรอแต่ถ้าเราไม่รู้เช่นถ้าเราเป็นเด็ก เด็กอาจจะเลือกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยก็ได้เพราะเห็นมันเป็นสีแดงมันดูแล้วมันหน้ามันสดสวยกว่าธนาบัตรใบละพันอันนี้เขาเลือกด้วยไม่ได้เลือกด้วยเหตุผลเขาเลือกด้วยความชอบทางตาเขาเขาเห็นอะไรที่เขาชอบถูกใจเขาเขาก็จะเลือกอย่างนั้นของที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่เอาเหมือนกับเด็กนี่ถ้าให้เขาเลือกระหว่างยาขมกับยาหวาน เด็กเขาก็จะต้องเลือกเอายาหวานทันทีเขาจะไม่เอายาขมเพราะยาขมนี่มันกินลำบากยาหวานนี่กินง่ายกว่าแต่ผลจากการกินยาหวานกับการกินยาขมนี่มันแตกต่างกันคือกินยาหวานก็ทำให้โรคภัยหายเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ากินยาขมน่าทำให้โรคภัยหายหมดเลยอันนี้เขาจะไม่รู้ นอกจากถ้าเถาได้รับการสั่งการสอนการบอกเล่าว่ายาหวานนี่ถึงแม้จะกินถึงแม้จะรักษาโรคได้แต่ก็รักษาได้เพียงเดี๋ยวเดียวนิดเดียวเดียเด๋ยวก็กลับมาใหม่จะไม่หายร้อยเปอร์เซนถ้าอยากจะให้โรคหายร้อยเปอร์เซนต์นี้ต้องดื่มยาขมนี้ดื่มแล้วมันจะทําให้โครคภัยไข้เจ็บหายอย่างปิดทิ้งและจะกลับไม่ไม่กลับมาเป็นอีกเลย ถ้าเราบอกเขาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเขาก็อาจจะบังคับตัวเขาเองว่ายอมยอมกินยาขมถึงแม้ว่ามันจะไม่น่ากินแต่รู้ว่าผลที่จะตามมาต่อไปมันดีขนาดไหนดีกว่าการกินยาที่หวานแต่ได้ผลนิดเดียวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระ อ, อริยสง ที่จะพยายามสอนให้พวกเรา <c oughs> มากินยาขมกันไม่ให้เราไปกินยาหวานกันคือให้เรามาปฏิบัติธรรมกันไม่ให้ไปหาความสุขทางทางด้านอื่นกันเพราะความไปหาความสุขทางด้านอื่นนี้จะได้ความสุขเพียงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แต่ถ้ามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมที่เป็นการกระทาที่แสนยากเพราะเราไม่ชอบทํากันการปฏิบัติธรรมนี้เราจะต้องทิ้งสิ่งต่างๆที่เราลักเราชอบเรามาทําในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบก็เหมือนกับการเลิกกินยาหวานแล้วมากินยาขมแต่ผลที่มันจะได้รับนี้มันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดิน การที่เราไปหาความสุขต่างๆเพื่อมาทำให้ใจเราสบายไม่มีความทุกนั้นเป็นเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นการระ ง, งับความทุกข์ชั่วคราวเดี๋ยวความสุขเหล่านั้นก็กลับมาใหม่มันจะไม่มีวันหายถ้าเราหาความสุขดับความทุกข์แบบที่เราทำกันมาทำกันมาตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ทำกันมา อันนี้จะไม่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปเราต้องดับตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวก์ทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็คือต้องสละความสุขต่างๆที่เราเคยใช้อาศัยเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ทางใจ เพราะมันไม่สามารถดับได้อย่างแท้จริงดับได้อย่างถาวรดับได้เพียงชั่วคราวเช่นเวลาเรามีความไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวกันความไม่สบายใจนั้นก็หายไปชั่วคราวเราก็มีความสุขกันขณะที่เราไปเที่ยวกันแต่พอเรากลับมาบ้านไม่นานเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาใหม่ แต่ถ้าเราไปปฏิบัติทำกันไปทําใจให้สงบกันได้อความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปแล้วมันจะไม่กลับมาเพราะมันกลับมาเราก็สามารถทําให้มันหายได้อด้วยการทําใจให้สงบอยู่เรื่อยๆอันนี้คือยกตัวอย่างว่าเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติตามคําสอนนี้มันเป็นของที่ยาก มันขัดกับความรู้สึกความพอใจของพวกเราความพอใจของพวกเรานี้พอใจกับการดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นพอเรามีเงินมีทองนี่เราก็อยากจะเอาเงินทองนี้ไปใช้เพื่อให้เรามีความสุขกันเงินทองส่วนหนึ่งเราก็ใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องใช้ด้วยกันทุกคน ไม่ว่าจะไปทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องใช้เงินทองสำหรับไว้เลี้ยงดูร่างกายแต่เงินที่ส่วนเกินส่วนที่มีเหลือจากการเลี้ยงดูร่างกายเราจะเอาไปใช้อย่างไหนดีกว่ากันเราจะไปใช้แบบไปเที่ยวกันอย่างที่เราเราเคยทำกันเราก็จะได้ความสุขเดียวๆพอเงินทองหมดความสุขนั้นก็จะหมดแล้วเราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ จนกว่าเราจะมีเงินทองอีกและกว่าจะเรามีเงินทองเราก็ต้องทุกข์กับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขอีกเพราะความอยากที่จะใช้การหาความสุขแบบนี้มาดับความทุกข์มันยังมีอยู่ในใจของเราความทุกข์ของเราจะหายไปก็ต่อเมื่อเราได้ไปเที่ยวได้ไปซื้อของที่เราอยากจะซื้อกัน แต่มันก็เป็นการระงับดับชั่วข่าวไม่หายขาดเดี๋ยวก็กลับมาใหม่พอเงินหมดความทุกข์ใจก็จะกลับมาใหม่แต่ถ้าเราลองเอาวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเรามีเงินมีทองแล้วเราอยากจะมีความสุขดับความไม่สบายใจให้เอาไปใช้ในการทำบุญทาทานแทนเอาเงินนี้ไปแทนที่จะไปเที่ยวเอาไปทำบุญทาทาน แล้วมันจะทำให้ใจของเรานี้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้แล้วจะทำให้ความอยากใช้เงินกับการไปเที่ยวนี้มันก็จะลดน้อยลงไปก็จะทำให้ต่อไปถ้าเกิดเราไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวเราจะไม่เดือดร้อนเพราะความอยากเที่ยวนี้จะถูกกำจัดด้วยการที่เราเอาเงินที่จะไปใช้กับการไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญแทน นี่คือหน้าที่ของการทำทานทำบุญเพื่อให้เรากำจัดความอยากที่จะใช้เงินไปในทางาในทางการไปเที่ยวกันในทางไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกนเช่นไปเที่ยวไปซื้อของที่เราอยากจะซื้อทั้งทั้งที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อไม่ได้มาไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ตายแต่เราเห็นมันแล้วเราอดไม่ได้ อยากจะได้มันมาอยากจะซื้อมันมาซื้อแล้วเราก็ดีใจชั่วชั่วระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากจะซื้อใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ได้ซื้อเราก็จะไม่สบายใจหุดหงิดตำคานใจนี่เป็นผลเกิดจากการที่เราใช้เงินในทางที่ผิดไม่ใช่เป็นทางดับความทุกข์ในใจเรา เป็นการใช้เงินเพื่อสร้างความทุกข์ใหม่ในใจเราให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะใช้เงินเพื่อกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราก็คือให้เอาไปทำบุญทำทานแทนเวลาเรามีความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่งเฟยของไม่จำเป็นลองเอาไปทำบุญดูเอาไปช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน การทำบุญนี่เราเลือกทําได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับวัดเสมอไปขอให้เราเราชอบทาบุญแบบไหนเราก็ไปทําบุญแบบนั้นก็แล้วกันถ้าเราชอบปล่อยนกปล่อยปลาแล้วมีความสุขแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาถ้าเราชอบเลี้ยงพระแล้วมีความสุขแล้วก็ไปเลี้ยงพระถ้าเราชอบสร้างพระพุทธรูปแล้วมีความสุขเราก็ไปสร้างพระพุทธรูปถ้าเราชอบสร้างโรงพยาบาล เราก็ไปสร้างโรงพยาบาลอะไรก็ได้ที่เราทําด้วยเงินทองของเราแล้วทําให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่เราไม่ได้รับอะไรจากการใช้เงินทองนั้นเหมือนกับการไปเที่ยวหรือกับการไปซื้อข้าวของต่างๆเป็นการให้อย่างเดียวให้เงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในใจเราเพราะเราได้ทําสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณ ค่ามีคนประโยชน์แก่ผู้อื่นมันทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้เป็นบุญทั้งนั้นเราสามารถเลือกทำบุญได้หลายหลายรูปแบบด้วยกันบางคนชอบทำกับวัดก็ไปทำกับวัดบางคนชอบทำกับโรงเรียนก็ไปทำกับโรงเรียนบางคนชอบทำกับโรงพยาบาลก็ไปทำกับโรงพยาบาลบางคนชอบทำกับสัตว์ก็ไปทากับสัตว์ได้ทั้งนั้น ทำแล้วจะมีความสุขใจทำให้ความหงุดหงิดใจเวลาอยู่เฉยๆแล้วหงุดหงิดลำคาญใจหายไปได้เป็นวิธีที่แก้ความหงุดหงิดใจที่ถูกต้องเพราะาต่อไปความหงุดหงิดใจมันจะไม่มีแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปเที่ยวกันไปซื้อของกันเพราะเวลาเราหงุดหงิดใจมันจะหายไม่หายไปไม่หมดหายไปชั่วคราว เดี๋ยวความหงุดหงดใจใหม่จะปรากฏเพราะอยากจะซื้อของใหม่อยากจะไปเที่ยวใหม่อีกแต่ถ้าไปทําบุญแล้วมันจะไม่มีความอยากจะกลับไปทําบุญอีกถ้ามันไม่มีเงินทองมันก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีก็ทําถ้าไม่มีก็อยู่เฉยๆได้ไม่มีความหงุดหงิดนำคาญใจเพราะเรายังสามารถใช้บุญที่เราทําอยู่ดีให้ความสุขกับใจเราได้ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราเคยทํามาในอดีต เราก็ยังเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้อยู่แต่ทุกครั้งที่เราคิดถึงสถานที่เราเคยไปท่องเที่ยวพอขึ้นมาอีกมันก็จะเกิดความหงุดหงิดใจอยู่กับบ้านไม่ได้อยากจะไปเที่ยวใหม่อีกเนี่ความแตกต่างกันอยู่ตรง น, รงนี้อยู่ตรงที่ผลเกิดขึ้นที่ใจว่าทาให้ความหงุดหงิดบำคาญใจนี้น้อยลงไปแร้วมีมากขึ้นการทาบุญทำทานนี้จะทาให้ความหงุดหงิดใจของเรา น้อยลงไปเรื่อยๆการนำเอาเงินไปเที่ยวนำเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆนี้กับจะทำให้เรามีความอุดหิดใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันหมด น, นี่คืยกตัวอย่างของการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เราต้องมาศึกษาทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำทานเป็นทำทานเพราะว่า เรามีเงินมากเกินไปแล้วเราจะเอาเงินนี้ไปใช้ในทางที่ผิดเอาเงินไปใช้ในการสร้างความหงุดหงิดใจให้มีมากขึ้นเพราะถ้าเราได้ใช้เงินไปกับการเที่ยวไปกันกับการซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วมันจะทำให้เราติดเหมือนติดยาเสพติดจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้เที่ยวก็จะมีความหงุดหงิดใจ ความหุดหงิดใจที่ดับไปจากการได้ซื้อได้เที่ยวก็ดับไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เมื่อเกิดความอยากที่จะซื้อใหม่เที่ยวใหม่แต่การนำมาไปทําบุญนี้มันจะทําให้ความหงุดหงิดใจหายไปแต่ความอยากที่จะไปทําบุญใหม่นี้มันจะไม่เกิดถ้ามีเราก็ทําเพราะการทําบุญนี้เราไม่ได้ทาด้วยอารมณ์ไม่ได้ทาด้วยความอยากเราทาด้วยเหตุด้วยผล คือเรามีเงนินอยู่ก้อนนึ่งเราไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีเราเห็นว่าเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดรือเพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันให้เขามีความสุขให้เขาได้บรรเทาความทุกข์เราก็ทำไปด้วยเหตุด้วยผลถ้าทาด้วยเหตุด้วยผลนี่มันจะไม่ติดถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงินจะทำมันก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ทำแต่ถ้ามีก็ทาต่อไปได้นี่คือความต่างกัน อยากการใช้เงินที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจและเกิดโทษกับจิตใจจะใช้เงินตามความอยากอยากซื้ออยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มก็ใช้ไปอันนี้จะเป็นโทษกับใจเพราะมันจะทำให้ติดจะอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำก็จะง ด, ดจิตําคาญใจส่วนการเอาเงินไปใช้ตามเหตุตามผลเห็นว่ามีเงินเหลือ ไม่มจะเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เอาไปทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นทำแล้วก็จะทำให้ใจเราสบายมีความสุขแล้วก็ไม่ติดกับการจะทำบุญถ้าไม่มีเงินทำบุญก็ไม่มีความอยากจะทาถ้ามีก็ทำนี่คือความแตกต่างของวิธีของการใช้เงินทองที่จะทำให้เกิดคุณหรือเกิดโทษกับใจ ที่จะทําทให้เกิดทุกข์หรืเกิดสุขกับใจพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนพวกที่มีเงินทองให้รู้จักใช้เงินทองไปในทางที่ถูกก็คือให้เอาไปทําทานส่วนสาหรับพวกที่ไม่มีเงินทองก็ไม่ต้องทําเมื่อไม่มีเงินทองจะไปทําบุญก็ไม่ต้องไปหาเงินทองมาทําบุญไม่จําเป็นเพราะเราสามารถทําบุญอย่างอื่นได้อีกที่เรายังต้องทํายังมีอีกสองข้อด้วยกัน ข้อแรกพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําบุญทําทานถ้าเรามีเงินเหลือไม่รู้จะใช้เงินนั้นอย่างไรให้ถูกต้องก็ต้องใช้กับการทําบุญทําทานอย่าไปใช้กับการเที่ยวเกีย่ยวการใช้กับการไปซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นอย่าต้องซื้อซื้อของฟุ่มเฟือยหรือซื้อของราคาแพงๆเสื้อผ้าตัวหนึ่งนี้มันมีราคาตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงหมื่นบาทแสนบาท มันก็เป็นเพียงแค่เสื้อผ้าเท่านั้นถ้าเราไปหลงกับราคาหลงกับคุณภาพว่ามันจะทำให้เราวิเศษเ้าเราได้ใช้เสื้อผ้าแพงๆเนี่ยเราก็จะใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกเป็นโทษกับจิตใจว่ามันจะทำให้เราต้องซื้อแต่ของแพงๆมาใช้แล้วพอเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะวุ่นวายใจไม่สบายใจ แต่ถ้าเราจะใช้เงินเราต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลเนีถ้ามันมีความจําเป็นจะ ต, ต้องซื้อเสื้อผ้าเอถ้าเสื้อผ้าชุดละร้อยทาหน้าที่ได้เหมือนเสื้อผ้าชุดละพันทําไมต้องเสียเงินพันหนึ่งเมื่อมันทําหน้าที่เหมือนกันหน้าที่ของเสื้อผ้าก็คืออะไรก็คือปกปิดร่างกายพุ่มห่อร่างกายท่านั้นเองรักษาป้องกันร่างกายไม่ให้ถูกอากาศหนาวเย็นมาทาให้เจ็บไข้ได้ป่วย หรือไม่ให้มแมลงสัตว์กัดต่อยมากัดมาแทะร่างกายก็เท่านั้นก็คือหน้าที่ของเสื้อผ้าเราต้องรู้จักมีเหตุมีผลนนในการใช้เงินทองแล้วมันจะไม่ทําให้เราเกิดโทษกับจิตใจของเราจะไม่ทําให้ใจเราวุ่นวายเพราะเวลาที่เราใช้เงินทองแบบตามความอยากเราจะวุ่นวายกันเพราะต่อไปมันจะไม่พอใช้เงินจะไม่พอใช้ พอไม่มีเงินแล้วมันจะเดือดร้อนแล้วอาจจะทาให้เราต้องไปทำสิ่งที่เราไม่อยากจะทำก็คือไปทำบาปในเมื่อเราไม่สามารถหาเงินโดยวิธีสุดจริตได้แต่เรายังอยากจะใช้เงินอยู่เราก็อาจจะต้องไปทำบาปทำกรรมแล้วก็เกิดโทษเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่คือสาเหตุทาไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกที่มีเงินมีทองนี้เอาเงินทองไปทาบุญทำทาน ๋ยวเอาเงินไปใช้กับของฟุ่มเฟือยของหรูหรามันเกิดมันเป็นโทษกับจิตใจมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจมันไม่ดับความทุกข์ดับความหงุดหงิดใจแต่มันจะกลับทำให้มีความทุกข์มีความหงุดหงิดใจโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะทำบุญทําทานก็ไม่เป็นไรเราก็รั ง, งับการทำบุญไป รอนจนกว่าเราจะมีเงินเหลือใช้เราค่อยทำถ้าเราไม่มีเราก็ไปทำบุญข้อที่สองต่อไปก็คือให้เรามาละการกระทำบาปกันให้เรามารักษาศีลกันเพราะการทำบาปมันก็ทำให้เกิดโทษแก่จิตใจทำบาปแล้วจาททำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราไม่สบายความไม่สบายใจก็เกิดจากการทำบาปส่วนหนึน่ง ส่นหนึ่งก็เกิดจากการทำบาปถ้าเราไปฆ่าใครแล้วเราจะไม่สบายใจเราไปลักทรัพย์ของใครแล้วเราจะไม่สบายใจเราไปประพฤติผิดประเวณีแล้วเราจะไม่สบายใจถึงแม้ว่าเราจะดีใจก็ดีใจตอนเบื้องต้นตอนที่เราได้ทำพอได้ฆ่าใครแล้วแหมสมใจดีใจไปชั่วข่าวแล้วเดี๋ยวความดีใจนั้นหายไปทีนี้ความหวาดกลัวจะตามมาแล้ว กูจะถูกจับไปลงโทษกูจะถูกล้างแค้นมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแต่ความทุกข์ที่ตามมานี่มันนานกว่ายาวกว่าเราจึงอย่าทำบาปกันถ้าเราไม่ทำบาปแล้วความร้อนใจความไม่สบายใจความกังวลใจความกลัวต่างๆที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เรากาจัดความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หายไปได้อีกระดับหนึ่งระดับแรกก็คือทำทานถ้าเราไม่มีเงินทำทานเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีเงินดีกว่ามีมีแล้วถ้าไม่รู้จักใช้ให้ถูกวิธีแทนที่เงินทองจะมีคุณประโยชน์กับใจก็จะกลายเป็นโทษกับใจได้อ่ถ้าไม่มีอะไรก็ดีไปจะได้ไม่ต้องมามีกังวลกับเรื่องของการใช้เงิน ถ้าเรามีเงินใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก็ถือว่าเราโชคดีเสอีกการมีเงินมากๆนี้ในสายตาของพระพุทธศาสนานี้กลับว่าไม่ดีเพราะมันสามารถทำให้เราไปใช้ในทางที่จะทำให้เกิดโทษกับตัวเราเองได้ถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครสัง่งร้อยทั้งร้อยนีรับรองได้ว่าจะเอาเงินทองไปใช้ในทางที่เสียหายหกับจิตใจจะเอาเงินไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่ม เอาไปเล่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆแล้วก็จะทำให้กดดันจิตใจให้ต้องไปคอยหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหาเงินโดยวิธีสุดจริตไม่พอก็จะไปหาเงินโดยวิธีทุจริตอีกยิ่งไปสร้างสร้างโทษสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นอีกแต่ถ้าไม่มีเงินอะไรก็สบาย อย่างพวกนักบวชนี่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้มีเงินกันบวชปัญหาไม่มีเงินแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองให้ถูกวิธีจะได้มากําจัดความทุกข์ที่ยังมีเหลืออยู่ในใจอีกสองรูปแบบด้วยกันก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปก็สอนให้พวกเรามาถือศีลห้ากันอย่าทําบาปกันสอนให้พวกเราละอบายามุกกัน เพราะการเสพอบายามุกก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทําบาปต่อไปเพราะอะไรเพราะการเสพอบายามุกนี่มีแต่การสูญเสียเงินทองสูญเสียเวลาพอเงินทองหมดแล้วไม่เคยไม่ไม่เคยไปทางานทาการมัวแต่เสพอบายามุกก็จะไม่สามารถหาเงินทองโดยวิธีสุดจริตได้ก็จะต้องไปทำหาเงินทองโดยทุจริตกัน ก็ต้องไปทำบาปอบายยมุกนี้เป็นตัวที่จะฉุดให้เราไปทำบาปแต่เราไม่อยากจะทำบาปเราก็อย่าไปเสพอบายยมุกอเราจะไม่มีตัวมากดดันให้เราไปทำบาปกันเราจะทำให้เรารักษาศีลได้ละการกระทำบาปได้ถ้าเราเห็นโทษของการกระทำบาปที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราว่าเวลาเราทำบาปแล้ว เ, เราจะไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ หวาดวิตกหวาดวิตกกังวลอยู่กับผลของบาป ท, ที่จะตามมานี่คือก็เรียกว่าฮิริโอตตาปะถ้าเรามีฮิริโอตตาปะคือมีความอายมีความกลัวของของผลของการกระทำบาปเราก็จะไม่กล้าทํากันถ้าเรารู้ว่าทําบาปแล้วนี้จะทําให้เร า, เาทุกข์มากกว่าสุขเราก็จะไม่กล้าทําบาปกันถ้าเราคิดถึงผลที่จะตามมา ทำบาปทำผิดกฎหมายถ้าถูกเขาจับไปลงโทษเป็นยังไงเห็นไหมเราให้่ํำรวยขนาดไหนมีชื่อเสียงขนาดไหนพอไปทำผิดกฎหมายขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เกิดความเสียหายขึ้นมาอันนี้เพราะเขาไม่คิดกันเขาไม่คิดว่าจะถูกจับกันคิดว่าทำแล้วจะไม่ถูกจับเพราะมีคนบางคนทำแล้วอาจจะไม่ถูกจับก็ได้ก็เลยไม่เชื่อว่าตัวเองจะถูกจับ แต่พอถูกจับขึ้นมาเนี่ยถึงจะรู้ว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปฆ่าสัตว์นั้นเป็นความสุขชี่ว่าคราวเดียววแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการถูกจับนี่มันยาวนานกว่าไม่รู้จะจบไปเมื่อไหร่เรื่องนี้ก่อจะจบก็คงอีกงานตัวเองก็ต้องทุกข์กังวลกับเรื่องนี้ต่อไป นี่ก็คือวิธีที่จะทาให้เราไม่ทาบาปก็คือหนึ่งอย่าไปเสพอบายามุกอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปเที่ยวกลางคืนอย่าไป เ, าเที่ยวดูของเล่นต่างๆอย่าไปชบกับคนที่ชอบอบายามุกอย่าไปคบกับคนที่ชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันเพราะเขาจะชวนเราไปถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน แล้วก็อย่ามีความเกลียดคร้านเพราะความเกลียดคร้านไม่สามารถผลิตอะไรให้กับเราได้เราต้องมีความขยันหมั่นเพียรเวลามีความเกลียดคร้านเราต้องกำจัดมันเพราะเราจะต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรเราจึงสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ถ้าเราไม่ยุ่งกับอบ า, บายามุขก็จะไม่มีอะไรมากดดันให้เราไปทาบาป แล้วถ้าเรารู้ว่าการทำบาปนี้จะมีผลอย่างไรกับเราเราก็จะไม่กล้าทำบาปโดยเด็ดขาดเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ในระดับของการกระทาทางกายทางวาจาได้แต่ความทุกข์ที่ยังยัก็ยังมีความทุกข์ที่หลงเหลืออยู่อีกระดับหนึ่งก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราความคิดปรุงแต่งของเรานี้ก็ยังทาให้เราเกิดความทุกข์ได้คิดอย่างไรถึงเกิดความทุกข์ ก็คิดอยากจะทํำนู่นทํานี่อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปดูนั่นอยากจะไปฟังนี่พอคิดแล้วถ้าไม่ได้ทําก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไปทํามันก็หายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่ะวิธีที่จะทําให้มันไม่กลับมาใหม่เราก็ต้องอยาบไปทําตามความคิดเราต้องหยุดความคิดแท้ได้เวลาที่เราคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปทํำนู่นทํานี่ไปเล่นนู่นเล่นนี่ ก็ให้หยุดบันดีกว่าเราก็ต้องมาฝึกสติกันมาเจริญสติมาควบคุมความคิดกันถ้าเราควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากที่เกิดจากความคิดได้ก่อนที่เราจะอยากได้เราต้องคิดก่อนเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราถึงจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ ความอยากไม่มีใจของเราก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความคิดต่างๆก็จะหายไปอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราต้องกำจัดความคิดหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากถ้ามันคิดไปในทางอื่นไม่เป็นไรคิดในทางความไม่อยากได้อยู่ เป็นคิดไม่อยากไปเที่ยวได้อยู่คิดอยากไปนั่งสมาธิได้อยู่คิดอยากไปทำบุญได้อยู่ความคิดที่ดีเราปล่อยให้มันคิดได้เพราะมันไม่ทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ความคิดที่คิดแล้วทำให้เกิดความทุกข์ใจงดจิตใจลาคาญใจก็อย่าให้มันคิดต้องฝึกสติหยุดมันให้ได้เราจึงมันต้องฝึกสติมันบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอดพุทโธกันไว้ พอเราไม่ผัดพุทโธไว้พอถึงเวลาจะพุทโธมันพุทธไม่ออกมันจะคิดแต่เรื่องที่เราอยากได้อย่างเดียวแต่ถ้าเรามาฝึกพุทโธพุทโธไว้ก่อนพอถึงเวลาที่จะต้องใช้พุทโธเราก็จะได้พุทโธหยุดมันได้การใช้พุทโธก็จะหยุดได้ชั่วคราวพอเราหยุดพุทโธเมื่อไหร่มันก็จะคิดไปทางความอยากไดก้ถ้าเราอยากจะให้มันไม่คิดไปทางความอยากเราก็ต้องสอนใจว่า การคิดไปทางความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์นาไปสู่ความวุ่นวายใจไม่มีวันสิ้นสุดนะสิ่งที่เราได้ก็เป็นความสุขเดียวเดียวแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะมันจะต้องหมดมันจะต้องเสื่อมจากเราไปถ้าเราสอนใจให้เห็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรที่จะคิดไปในทางความอยากต่อไปเราก็จะไม่กล้าคิดไปในทางความอยากแล้วต่อไปความทุกข์ในใจก็จะหมดไป ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินทองก็หมดไปเพราะเราใช้เงินทองในทางที่ถูกใช้ไปกับการทําบุญทําทานความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาก็หมดไปเพราะเราละเว้นการกระทําบาปได้ความคิดที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดจากความคิดก็เราก็สามารถหยุดมันได้หรือเปลี่ยนมันมันได้ไม่ให้มันไปคิดไปในทางความอยากพอคิดเป็นทางความอยากแล้วเรารู้ว่ามันจะนําความทุกข์มาให้กับเรา ถ้าเราสามารถควบคุมการกระทาของเราทางกายทางวาจาได้ทางใจได้เราก็สามารถควบคุมกาจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทาทางกายทางวาจาใจได้หมดใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่อีกต่อไปใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะไม่มามีร่างกายอันใหม่เพราะเรารู้ว่าการมีร่างกายใหม่ก็จะพาให้เราต้องกลับมาทุกข์ใหม่และเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายอีกแล้วเพราะเราไม่มีความอยากที่จะไปไหนมาไหนไปดูไปฟังอะไรไปทำอะไรไปดื่มอะไรไปกินอะไรเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันตอนนี้พระพุทธเจ้าพระสาวกก็ยังยิ้มยังอยู่แต่อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบไม่มีความทุกข์อยู่กับความสงบเวลาเราปฏิบัติถึงขั้นนั้นเราก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกนี่คือวิธีนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เชื่อแล้วเรานำเราก็นำเอาคำสอนของท่านไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามพอเราได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้แล้วเราก็จะเชื่ออย่างสเสด็จใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงต่อการต่อวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาแล้วเราก็มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมรับคําสอนรับยาไปพอได้ยาได้คําสอนแล้วก็เอาไปรับประทานเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วโครคภัยไข้เจ็บทางใจก็จะหายหมดไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขออนุโมทนาให้พรออยะถ า, าวาริวาหาปุราปุเริรเนติสากรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกบปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปปปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุรเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีพายุโกภะอภิวาทานศีริสะนิจจวุฒาปจายโน จัตตารโธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันแต่หลังจากเลิกแล้วขออนุญาตอยากเข้ามาถาม พอหมดเวลาเวลาถามมีตอนนี้ก็ถามได้ถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนข้อความส่งขึ้นมาแล้วจะมีพิธีกรช่วยอ่านคำถามให้วันนี้ทางเฟ o บุ๊ YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาทั้งหมดหนึ่งสามรอสิบห้าคนทาง YouTube ทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบคนทางวิทยุออนไลน์สิบสี่คนผู้ที่มารับฟังบนเขา ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสบเ็ดคนรวมทั้งหมดหก0้อยคนครับผมยังแต่หกร้อยอยู่นะไม่ต่มกว่าหกร้อยใครอยากจะถามก็ยกมือนะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้ทางบ้านถามก่อนครับถามแรกจากผูลพฟังบนขาวนะครับกาบนมัสการหลวงพ่อลูกได้นั่งสมาธิมาเป็นเวลานาน แต่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สงบควรทำอย่างไรดีคะที่ไม่สงบเพราะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดอยู่กับพุโทโธได้ปป๊บนึง้งก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูลมได้ปป๊บก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่สงบนี้นั่งไปจนวันตายมันก็ไม่มีวันที่สงบได้เพราะสติไม่พ อ, อยังต้องพยายามฝึกสติให้มากการฝึกสตินี้เราทาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ เราควรฝึกตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยเพราะเป็นเวลาที่เราจะฝึกสติได้ดีก็ตอนช่วงที่เรายังไม่ต้องไปทํางานยังไม่ต้องใช้ความคิดเช่นตอนที่เราเตรียมตัวอําน้ําอับท่าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารเดินทางไปทํางานนี่เราก็จะมีเวลาที่จะฝึกสติือการฝึกสติก็ได้สองแบบมีหลายแบบมากกว่าสองแบบแต่ที่พูดอยู่เรื่อยๆก็สองแบบ แบบแรกก็คือให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจไม่ว่าเรากำลังทําอะไรอาบน้ำล้างหน้าแปลงฝันก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ออถ้าถ้ามีความจำเป็นก็หยุดหยุดพุทโธแล้วก็คิดได้แต่คิดให้มันมีเหตุมีผลอย่าคิดแบบเพิรเจอคิดแบบเพิ่์ฟันอะไรทำนองนั้นถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุโทโธแล้วก็คิด เรื่องที่ต้องคิดคิดเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่ต้องคอยควบคุมความคิดถ้าเราไม่มีพุโทโธมันจะคิดเรื่อยเปยื่อยคิดไปไม่มีวันจบนะพอมานั่งมันก็หยุดความคิดไม่ได้ดูลมก็ดูได้แป๊บเดียวพุทโธก็พุโทพโธได้แป๊บเดียวแล้วมันก็กลับไปคิดใหม่นั่งเน้นานเท่าไหร่นั่งมากี่ปีก็เหมือนเดิมไม่มีวันที่จะก้าวหน้าได้จะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมความคิดได้ เวลานั่งก็นั่งก็ไม่มีความคิดมีแต่พุโทโธอย่างเดียวองนี้จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งได้หรือถ้าไม่พุโทโธก็ดูลมหายใจไปดูลมไปเรื่อยๆดูอย่างเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องพุโทโธ เ, เดี๋ยวจิตก็รวมเป็นหนึ่งสงบได้ผลจากการนั่งสมาธิคือจิตจะมีความสุขมากเวลาจิตสงบเวลาจิตนิ่งครับก็ต่อไปครับ ลูกนั่งสมาธิแบบบริกรรมพุทโธสลับกับดูลมหายใจบางวันก็สงบบ้างฟุ้งบ้างยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่บางทีก็มีอาการแน่นที่หน้าผากก็พยายามที่แน่นก็เพราะว่าสติไม่ดีกิเลสมันก็มีกำลังกิเลสมันมักจะมาสร้างอุปสรรคให้กับการนั่งเวลานั่งนี้จะรู้สึกอึดอัดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าให้นั่งดูังนั่งเล่นไพ่นี้ไม่มีเลย อาการกิเลสมันช่วยสร้างพอกิเลสมันชอบก็ะจะทำอะไรที่กิเลสไม่ชอบนี่มันจะสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาอย่าไปสนใจมันมันมาหลอกเราขอให้เรามีสติอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมไปมเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองข้อสามลูกได้ให้เงินคนอื่นกู้คิดดอกเบี้ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตถือว่าบาปไหมคะ มันไม่บาปหรอกเราจะคิดเขาเท่าไหร่ร้อยเอร์เซ็นก็ได้เพราะมันเป็นเหมือนการค้าขายเราขายสินค้าเราจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมอยู่ที่คนซื้อเราไม่ได้ไปบังคับเขาเช่นที่บางคนขายล้านหนึ่งบางคนขายสิบล้านมันก็ความพอใจของคนขายกับคนซื้ออย่างนี้ไม่เรียกว่าบาปเป็นเรื่องการซื้อขายแต่ถ้าถามว่ามีความเมตตาไหมอาจจะไม่เมตตา ถ้าคิดราคาถูกๆนี่อาจจะเมตตาสงสารเห็นเขาไม่มีบ้านอยู่ก็เอาขายที่ถูกๆให้เขาจะได้ซื้อที่ไปปลูกบ้านได้ก็เช่นเดียวกับคนมากู้เงินนี่เขาไม่มีเงินก็ เ, เลยต้องมากู้เราถ้าเราสงสารเขามีความเมตตาก็คิดเขาถูกๆหรืออาจจะไม่คิดดอกเลยก็ได้แต่ถ้าเรายังต้องทําการค้าอยู่แล้วต้องมีรายได้อยู่แล้วก็คิดไปตามความเหมาะสมคิดถึงโฮ อ, อกเขาโฮ อ, อกเราก็แล้วกัน ว่าถ้าเราไปกู้เขาเราเราพร้อมที่จะจ่ายราคาที่เราคิดเขาหรือเปล่าหรือดูราคาทั่วไปของตลาดเขาคิดกันยังไงล้วก็คิดไปตามนั้นแต่ถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเราอาจจะต่ำกว่าราคาของตลาดก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเรามีความเมตตาสงสารทู้อื่นอยากจะช่วยบรรเทาทุกข์ก็เราเหมือนกับไปทำบุญน่ะแทนที่จะเอาเงินดอกเบีย้ยที่เราได้ไปทำบุญแล้วก็ตัดเงินดอกเบีย้ยนี้ไปก็เป็นการทาบุญไปในตัวเลย ไม่ต้องไปเสียเวลาต้องเอาเงินดอกเบีย้ยเข้ามาแล้วก็ไปทําบุญอีกทีหนึงก็เอาเงินดอกเบีย้ยนี้คืนเข้าไปเลย <ampoo> หมดเรื่องคิดให้มันต่ําลงหน่อยอแล้วาเท่ากับเราได้ทําบุญทันทีก็ <affiliated> ต่อไปลูกมีอาการปวดแขนมากหาหมอก็ไม่หายบางครั้งก็หายเป็นเพราะอะไรครับ อ, อ๋อถ้าเป็นเรื่องแขนนี่ต้องถามหมอ เราก็ยังเป็นเลยถ้าถามเราก็บอกมันเป็นอ น, นิจจังร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเจ็บแล้วบางทีก็หายเองบางทีก็ไม่หายเองบางทีก็ต้องรักษาถึงจะหายบางทีรักษาแล้วก็ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นเป็นอมะภะเพิกอมภาพอย่างนี้มันรักษาไงมันไม่หายมันก็ต้องอยู่กับมันไปนี่คืออนิจจังเป็นธรรมชาติของร่างกาย ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปคำถามต่อไปจะทาง Youtube ครับจากคุณหญิงครับตอนนี้โยมได้สัญชาติอเมริกันแล้วขอโอกาสถามเรื่องการรับจ้างแต่งงานให้กับคนไทยที่อยากได้สัญชาติอเมริกันเป็นบาปกไหมคะก็แล้วแต่เราจะมองมุมไหนมันมันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยแล้วเราก็มันก็เป็นเหมือนกับสินค้าอย่างหนึ่งเราขายสินค้าคือตัวเรา เขาแต่งงานกับเราแล้วเขาก็จะได้ไปสมัครเป็นเป็นเป็นคนอเมริกันเขาก็ยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเราก็ไม่บาปมันก็เป็นการธรรมากินค้าขายก็ไม่ไม่ไม่มีมิจฉาชีพมันไม่ได้ไปทำให้คนตายไม่เหมือนกับการค้าเป็ดค้าไก่ค้าชูราพวกนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ เพราจะทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นได้นแต่การที่เราทํานี้กลับเกิดประโยชน์คนที่เขาอยากจะเป็นชาวเมริกรันเขาก็จะได้เป็นชาวเมริกันไปแต่ว่ามันถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่รู้อันนี้คำถามต่อไปจะทางลายครับจะคุณหน่อยครับขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าจิตมีความรู้สึกรักโกรธเจ็บปวดหวงหาอะไรไหมคะใครจิตใคร จิตจิตมนุษย์เนี่ยครับก็มีหรือเปล่าเราถามแล้วก็เมื่อตายไปแล้วจิตแยกออกจากร่างกายแล้วจิตจะมีความรู้สึกไหมคะมีเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรานอนเรานอนหลับจิตก็ยังฝันมีความรู้สึกต่างๆได้เหมือนตอนที่เราตื่นเหมือนกับเราตื่นวเวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันใช่ไหมเราคิดว่าเราตื่นเราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ มีความกลัวมีความสุขมีความดีใจมีความเสียใจเหมือนกันดังนั้นจิตยังยังยังยังมีความรับรู้มีความรู้สึกต่างๆได้เหมือนตอนที่ไม่มีร่างกายเพงแต่ไม่เอาเอาข้อมูลผ่านทางร่างกายเท่านั้นเองเอาข้อมูลที่ฝังอยู่ในจิตมามาแสดงอาการให้จิตรับรู้ก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปทําตอนที่เราตื่นเนี่ย มันเหมือนกันเราไปบันทึกภาพบันทึกเสียงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้พอเวลาร่างกายนอนหลับเราก็เอาเหตุการณ์ต่างๆนี้มาใช้ให้เราดูใหม่เป็นความฝันแล้วก็เกิดอาการสุขอาการทุกข์ดีใจเสียใจไปกับอาการฝันนั้นคำถามต่อไปจาทาง a c e b o o k live นะครับจากคุณทวิชาครับจะเรียนถามว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านสู้ออกไปปลีกวิเวกตามป่าตามเขาไม่ได้ เพราะเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าเราปล่อยร่างเราปล่อยวางร่างกายได้หรือไม่เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับความกลัวทั้งๆ ท, ที่เราทำความเพียรเหมือนกันใช่หรือไม่คะก็การปฏิบัติมันก็ต้องเป็นการขั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นไปตามลำดับก็คือสติเพราะถ้าเรามีสติมากเราจะควบคุมใจเราได้มากขึ้นเราจะควบคุมความกลัวได้มากขึ้น เราจะทําให้เรามีความไม่กลัวได้เราจะทําให้เราสามารถไปอยู่ที่น่ากลัวได้เพราะเราจะสามารถควบคุมความกลัวได้แล้วเราจะได้ไปพิสูจน์ว่าเวลาเราไปอยู่ที่มันน่ากลัวจริงๆเรายังกลัวอยู่หรือเปล่าเรายังควบคุมมันได้หรืออยู่หรือเปล่าอันนี้คือสาเหตุทําไมเราต้องไปในที่น่ากลัวหลังจากที่เราเชื่อว่าเราควบคุมความกลัวได้แล้วแต่เรายังไม่มั่นใจว่ามันเป็น ความจริงหรือไม่ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับการทําการบ้านกับการทําข้อสอบเราทำข้อทำกามบ้านในกี่ข้อเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่าจนกว่าเราจะไปทําข้อสอบเราถึงจะรู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่การกําจัดความกลัวตอนต้นเราก็ทําที่บ้านก่อนก็ได้ควบคุมความคิดเวลามันกลัวก็หยุดความคิดนั้นเสียมันก็หายกลัวต่อไปเราก็ต้องไปถามถามว่าถ้าเกิดไปเจอของจริงขึ้นมาเรายังจะควบคุมความคิดได้หรือเปล่า ก็ต้องไปพิสูจน์ดูถ้าเราไปพิสูจน์แล้วเราก็จะรู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านเราห ย, หยุดความกลัวได้หรือไม่อันนี้เราต้องไปเมื่อถึงเวลาเราต้องไปถึงจะรู้เพราะมันเป็นการไปทําข้อสอบตอนที่เราอยู่บ้านอยู่ในที่ปลอดภัยนี้เป็นเหมือนการทําการบ้านซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักบวยตอนต้นก็ต้องโชกกระสอบซ้ายก่อนโชกับคู่ซ้อมก่อนแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะชนะหรือไม่ชนะ ต้องขึ้นเวทีจริงถึงจะรู้ว่าจะชนะหรือไม่ชนะชันใดการปฏิบัติก็เป็นในลักษณะนั้นตอนต้นเราก็ทำการบ้านไปก่อนซ้อมไว้ก่อนฝึกสติไปก่อนควบคุมความความคิดเวลากลัวก็ควบคุมมันหยุดมันให้ได้ก่อนพอเราคิดว่าเราหยุดมันได้แล้วแล้วก็ลองไปหาที่น่ากลัวจริงๆดูไปป่าช้าก็ได้ไปในป่าที่มันมีสิงสารสาัตว์ต่างๆก็ได้ แล้วดูซิว่าเวลาเกิดความกลัวแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าอ่ะนี่คาถามจังน้องปุลน้องขาประจํามาเกือบทุกประเทศเออหลวงพ่อครับผมอยากรู้ว่าเป็นเงินแม่แล้วไปตักบาตทุกวันแล้วก็ไม่ใช่เงินผมแล้วผมได้บุญด้ไหมครับหนูยังไม่ได้บุญแต่หนูได้หัดทําบุญไงถ้ายังไม่หัดทําบุญเดี๋ยวแล้วหนูโตขึ้นหนูจะทําไม่เป็นตอนนี้หนูหัดก่อน แต่ต่อไปพอหนูมีเงินทองของหนูเองแล้วหนูอยากจะทําบุญหนูก็ไปทําได้เลยแต่ถ้าหนูไม่เคยหัดทําบุญพอมีเงินก็อาจจะไปเที่ยวไปซื้อของเล่นไปกินไปอะไรหนูก็จะไม่ได้ทําบุญทีมพ่อแม่พานให้หนูทําบุญเพื่อจะได้ฝึกนิสัยทําบุญให้กับหนูต่อไปเวลาหนูทำโตขึ้นมีเงินของหนูเองหนูก็อยากจะทําบุญเพราะเคยทํามาจนเป็นนิสัยถึงแม้จะไม่เป็นเงินของเราเวลาเราทํำเราก็เกิดความสุข เราได้ช่วยพ่อแม่ใส่บาตรช่วยทำช่วยได้ช่วยทำบุญเราก็ได้ทำบุญอีกแบบหนึ่งคือได้ช่วยด้วยได้ช่วยใส่บาตรอันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแต่ของนี่ยังไม่ใช่เป็นของเราเรายังไม่มีของที่จะเสียสละแต่เป็นการฝึกนิสัยไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกต่อไปเวลาโตขึ้นจะทำบุญไม่เป็นดังั้นหนูทำอย่างเี้ยที่ทำอย่างเงี้ยบุญหนูได้บุญแล้วแต่ได้บุญ แบบหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือพ่อแม่ใส่บาตรแต่ของที่ใส่บาทนี้ยังไม่ได้เป็นของหนูถ้าหนูมีของเช่นมีเงินค่าขนมนี่เป็นของหนูหนูเสียสละเงินค่าขนมนี้มาใส่บาทหนูก็จะได้บุญด้วยแต่ถ้าหนูเอาเงินค่าขนมไปซื้อขนมหนูก็ได้ขนมไม่ได้บุญเข้าใจไหมถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องแบ่งค่าขนมมาทาบุญอย่างี้อันนี้เป็นของอันนี้หนูจะได้บุญเพราะเป็นเงินของหนูแล้ว เงินเม่อมพ่อแม่ให้หนูไปใช้ตามบัตยาสายนี้เป็นถือว่าเป็นเงินของหนูหนูเลือกเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ทําบุญก็ได้ไปซื้อขนมก็ได้ซื้อขนมก็ได้ขนมเอาไปทําบุญก็ได้บุญคํถาถามต่อไปจะคุณพีโกครับเรียนถามพระอาจา ร, ย, าาร ย, าย์อากาศร้อนโดยผิวกายอากาศร้อนโดนผิวกายเรียกว่ากายวิญญาณเกิดแล้ว แล้วอากาศร้อนทําให้เกิดมโนวิญญาณใหม่ครับมโนวิญญาณก็คือการรับรู้ความคิดคนะวิญญาณกันวิญญาณแต่ละวิญญาณนี้จะมีการรับรู้เหมือนกันเวลาเสียงมาสัมผัสกับหูก็จะเกิดโสตะวิญญาณขึ้นมาเวลาภาพมาสัมผัสกับตาก็จะเกิดจกักขูวิญญาณวิญญาณนี้มีหกเส้นด้วยกันหกสายเฉนั้นแต่ละสายจะรับข้อมูลไม่เหมือนกัน หูก็รับเสียงตาก็รับภาพใจก็รับความรู้ความคิดความคิดก็เป็นมโนวิญญาณมีหกเส้นด้วยกันอีกสามคำถามจากทาง YouTube ครับจากคุณไอซ์เบอรี่ครับข้อที่หนึ่งเทพชั้นพรหมสามารถแบ่งดวงจิตย่อยๆเป็นปางต่างๆเพื่อลงมาบำเพ็ญเพียรที่โลกมนุษย์พอตายไปจิตก็จะไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจริงไหมคะ ไม่จริงหรอกจิตมันแยกไม่ได้หรอกจิ ต, ม, ม, จตมันจะไปทั้งดวงถ้าเป็นพรหมก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพจากเทพก็จะเสื่อมมาเป็นมนุษย์แล้วทํามาบำเพ็ญทำบุญกุศลมันก็จะกลับขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมต่อไปข้อที่สองหนูอ่านคาแปลของคำว่าวิมังสาซึ่งเป็นข้อสี่ของอิทธิบาทสี่จาก g ูเก l e แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจความหมายอย่างชัดเจน ขอความเมตตาอธิบายด้วยค่ะวิมังษาในวิธิบาสีก็คือความคิดคข่ควร น, นั่นเองอันนี้จะไข่ควรกับเรื่องงานเรื่องการที่เราตั้งใจจะทำวิธิบาสีนี้คือความพอใจที่จะทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สำเร็จรุ่งเรืองก็จะเกิดมีฉันทะมีความยินดีที่จะทำงานนี้เมื่อมีความยินดีก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทางานนี้ จิตใจก็จะจดจอ่ออยู่กับงานนี้เพียงอย่างเดียวจะไม่ไปทํางานอย่างอื่นวิมังสาก็จะคิดถึงวิธีทํางานนี้ให้สําเร็จรุ่เรื่องไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้เรียกว่าวิมังสาความคิดไข้กวนจะเรียกว่าความคิดปรุงแต่งก็ได้เพียงแต่ว่าในที่นี้คิดกับเรื่องงานที่เรากําลังทําอยู่ข้อสคิดถึงบุคคลที่ร่วงละบแบบไหนถึงจะไม่ทําให้จิตตัวเองเป็นทุกข์คะ ก็คิดด้วยการปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดคิดด้วยปัญญาคิดว่าเขาตายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรเขาจะอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้แล้วสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือส่งบุญไปให้เขาเผื่อถ้าเขาขาดบุญเข้ามารอรับบุญเขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปคทําต่อไปจะทาง a c e b o o k ไลฟ์ครับจากคุณเลิฟธรรมะครับกราบน้ำมการเรียนถามพระ อ, อาจารย์ค่ะว่า ถ้าแม่มีความเสื่อมเวลาให้ทำบุญก็จะใช้เงินที่แม่มีอยู่ทำไปเรื่อยๆแต่พอทำแล้วแป๊บเดียวแม่ก็จะลืมแล้วว่าเงินที่ทำบุญจะเงินที่จะทำบุญหายไปไหนแล้วก็จะคอยเป็นกังวลและย้ำคิดย้ำทำไม่ทราบ ว, ว่าแบบนี้ที่ลูกๆให้แม่ทำบุญแม่จะได้บุญของแม่ไหมเจ้าคะและจะและมีสะพานบุญวิธีไหนบ้างที่จะ ที่จะให้แม่ทำแล้วเป็น ส, สเบียงบุญติดตัวท่านไปเจ้าคะ่ะคือการทำบุญที่อยากให้เกิดผลนี้ผู้ที่ทำบุญนี้จะต้องเป็นผู้คิดขึ้นมาเองเช่นสั่งให้ลูกเอาเงินของแม่ไปทำบุญเงินก็ต้องเป็นของผู้คิดเองถึงจะได้ถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ไปทำก็ได้บุญถ้าเป็นผู้สั่งแล้วก็สั่งแล้วก็เป็นเงินของผู้ผู้สั่งเอง แล้วก็ได้รับรู้ว่าได้ได้กระทำเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับผลคือได้รับความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าผู้ผู้กระทำไม่ได้เป็นผู้คิดเองอหรือเป็นเงินของตนเองแต่ตนเองไม่ได้คิดเพีงเยงแต่ลูกเอาไปบอกแม่ว่าแม่เอาเงินไปทาบุญแม่อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ในตอนนั้นอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรยงี้แม่ก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าแม่รับรู้ ถึงแม้ว่าถ้าแม่ไม่ห้ามก็แสดงว่าแม่แม่เห็นด้วยก็ยังได้บุญอยู่วิธีที่จะทําทบุญได้ผลอย่างเต็มที่ก็ควรจะทําทตอนที่เรายังแข็งแรงอย่าไปมัวทําตอนที่ใกล้ตายบางทีตอนนั้นมันไม่สมบูรณ์สมประกอบบางทีคนที่ทําบุญนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ถ้าอย่างนั้นเขาไม่ได้บุญถึงแม้จะเป็นเงินของเขาก็ตามาต้องทําตอนที่มีความรู้สึกนึกคิดสมบูรณ์ แล้วก็มีมีเงินทางที่จะทำมิตรที่ระทแล้วก็ทําให้มันสําเร็จประโยชน์ถึงจะได้บุญขึ้นมาคําถา ม, ถามต่อไปจากคุณจิตสุขครับถ้าเราเฝ้าดูลมหายใจที่รูจมูกแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโ ท, ร ห, ออกโทรหรือพุทธโทพุทโทแต่บางครั้งรู้สึกว่าการตามลมเข้าตามลมออกจะสงบกว่าเราสามารถตามลมเข้าออกให้จิตสงบก่อนได้ไหมครับ คือมันสงบแต่มันอาจจะไม่นิ่งคือมันไม่คิดปรุงแต่งแต่มันยังไม่นิ่งถ้าตามลมเข้าตามลมออกเพราะลเพราะจิตยังทำงานอยู่จิตยังต้องตามเข้าตามออกอยู่ถ้าอยากจะให้จิตนิ่งจิตรวมนี่จะต้องอยู่จุดเดียวอยู่ตรงที่ปลายจมูกตรงที่ลมเข้าลมออกถ้าตามเข้าตามออกนี่จิตยังทำงานอยู่คำ ถ, ถามต่อไปจะคุณหมูครับขออนุญาตถาม การหาอาหารมาไหว้พระพุทธรูปในห้องพระที่บ้านในวันพระหรือวันอื่นๆหลังจากไหว้แล้วสามารถนํามารับประทานต่อได้ไหมจะเป็นบาปไหมเพราะเราถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วขอบคุณครับอ๋อไม่เป็นบาปเหรอแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่าเสียเวลากินเลยดีกว่าทําเสร็จอาหารร้อนๆกินเลยอย่าไปวางใ ห, ให้มันเย็นแล้วมากินถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูบบชา ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าอยากจะบูชาด้วยข้าวของก็ใช้ดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะแต่อาหารนี้พระพุทธเจ้ากินไม่ได้พระพุทธลูกกินไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปิยรุตครับมีเพื่อนเขาหลับตานั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ จึงมาลืมตาแทนเริ่มจากสวดมนต์และแปลความหมายเขาเล่าว่าเห็นแสงสีปรากฏที่ขาของคนของตนเองในขณะที่ลืมตาจึงกำหนดจิตบอกตนถึงความไม่แน่นอนของแสงนั้นว่าเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปแล้วเอาใจไปอยู่ที่การสวดมนต์ต่อมาจนถึงการนั่งสมาธิถึงแม้ตาจะเห็นแสงแต่ก็พยายามกำหนดใจให้อยู่ที่คาภาวนาแทนเช่นนี้ทาถูกไหมคะ ถูกแล้วเราควรจะอยู่กับการภาวนาเวลามีแสงมีเสียงมีอะไรปรากฏให้เรารับรู้อย่าไปสนใจเพราะถ้าเราสนใจแล้วเราจะไม่ได้ภาวนาเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้เร จ, ดจริญสติแล้วจิตก็จะไม่รวมจิตจะจะไม่สงบคำถามต่อไปจากทาง youtube ครับจากคุณจัสตินครับขอโอกาสค่ะถ้าระดับพระอนาคามียังจะมีความเสียใจร้องไห้อยู่หรือเปล่าคะ ก็ลองเป็นดูก็แล้วกันดีกว่าคำถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กครับจักคุณกิติพิษครับถ้าความหวังคือสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ทำไมเรามักเป็นทุกข์จากความหวังของตัวเองต้องแก้ไขยอย่างไรครับเพราะเป็นความเข้าใจผิดไงความหวังไม่ใช่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจจริงๆก็คือบุญกุศลความหวังนี่เป็น เป็นกิเลสเป็นความอยากที่จะทำให้เกิดความเสียใจใเกิดความทุกข์ขึ้นมางั้นอย่าไปเอาความหวังมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขถ้าอยากจะมีความสุขทําบุญดีกว่าทําบุญตามที่พรธเจ้าสอนทําทานนักษาศีลภาวนาแล้วจิตจะมีสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มหนำสำาสาราญใจ แต่ถ้าไปเอาความหวังมาหล่อเลี้ยงแล้วก็จะต้องดีใจบ้างเสียใจบ้างเวลาได้ดังใจได้สมหวังก็ดีใจพอไม่ได้ดังใจหวังก็เสียใจคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับจะกทางไลน์ครับกราบพระ อ, อาจารย์ค่ะพอดีแฟนหนูชอบนั่งสมาธิทุกวันค่ะหนูสังเกตแฟนหลายครั้งแล้วตอนแฟนสะดึกสะดึกเมื่อไหร่แฟนหนูก็จะนั่งสมาธิทันทีเลย นั่งสมาธิไม่ถึงหนึ่งนาทีสะอึกสะอึกนั้นก็หายทันทีค่ะหายสะอึกแบบนี้มากกว่าสิบครั้งแล้วค่ะหนูถามแฟนว่าสะอึกหายได้อย่างไรแฟนหนูก็ตอบว่าธรรมโอสถหนูสอบถามพระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งสะอึกหายได้อย่างไรคะข้อสองเป็นธรรมโอสถจริงเลยคะคือความสะอึกนี้บางทีมันอยู่ที่เราไปคิดถึงมันมันก็เลยสะอึกพอเราหยุดคิดถึงมันมันก็ไม่สะอึก พอจิตเราไม่ไปยุ่งกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยๆมันก็หยุดทําหยุดการสะอึกได้เพราะการสะอึกอาจจะเกิดจากจิตไปทําให้มันสะอึกขึ้นมาพอเรามีสติดึงจิตกลับมาไม่ให้ไปยุ่งกับร่างกายความสะอึกนั้นก็หายไปได้คําถามต่อไปจากเฟซบุ o กไลฟ์ครับจากคุณกองทัพธรรมไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนักวิชการครับพระอาจารย์ ขอถามครับบางคนทำตัวดูดีเรียบร้อยแต่พอปฏิบัติเอาเข้าจริงๆจิตใจฟุ้งซ่านชอบเพ่งโทษคนอื่นผู้อื่นผมก็เลยบอกเขาว่าไม่มีสติคนเราจะดูกิริยาท่าทางจากภายนอกไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองถึงรู้แต่พอบอกเขาเตือนเขาเขาก็ไม่ฟังชอบปราโมชาคนอื่นผมเลยวางอุเบกขาดูรู้อยู่เฉยๆอย่างนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์ ถูกแล้วเรามีหน้าที่ในฐานะเป็นเพื่อนที่ดีก็อาจจะบอกเขาว่าเขาบกพร่องตรงไหนแล้วเมื่อบอกแล้วเขาจะทําหรือไม่ทํานี้ก็เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเพื่อนที่ดีแล้วก็แล้วกันถ้าเขาไม่ทําก็ช่วยไม่ได้เอาคาถามสุดท้ายนะครับคําถามสุดท้ายจากคุณสุริยาครับข้าพเจ้าภาวนาพุทโธเสร็จแล้วควําภาวนาหายไป แล้วความคิดต่างๆก็หายไปด้วยคิดอะไรก็ไม่ออกมีแต่แสงสีขาวค้าๆคล้ายๆเมฆเป็นอย่างนี้ประมาณสามสิบนาทีครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเป็นอาการอะไรครับก็เป็นอาการสงบแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้ายังมีแสงมีอะไรปรากฏให้รู้อยู่ถ้าเป็นสงบเต็มที่นี่จิตจะว่างจะนิ่ง เวลาสงบนี้มันอาจจะอยู่ในลักษณะเหมือนกับตกตกลงจากที่สูงมันจะวบลงไปแล้วก็จะนิ่งแต่ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันก็อาจจะสงบแต่ไม่ไม่เต็มร้อยยังมีอะไรให้ปรากฏรับดูได้อยู่ถ้าเราอยากจะให้มันสงบเต็มที่เราก็ต้องพุโทโธต่อไปพุโทโธหายเราก็ต้องดึงมันกลับมาพุโทโธต่อไปให้มันหายไปแบ บ, บ, บตอนที่เราตกจากที่สูง ถ้าตกจากที่สูงว่าพุโทโธหายไปได้ไม่เป็นไรเพราะหมดหน้าที่แล้วพุโทโธส่งเราไปถึงจุดที่เราต้องการแล้แต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนะั้นเราก็ต้องพุโทโธต่อไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ด้านได้ยินได้ฟังนี้นำมาไปพิจิตรพิ จ, จารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด